เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสะเทระพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารบมารดาของพระกุมารกัสสะดังได้สดับมามารดาของพระเทระนั้นเป็นทิดาเศรษฐีในกรุงราชฤรษ์เจริญวัยแล้วไปสู่ตระกูลสามีเป็นผู้มีสามีดังเทวดาอยู่กรองเรือนไม่นานนางขอบรรพชา สามีให้ยินดีแล้วนำนางไปสู่สำนักของนางภิกษุณีนางไม่ทราบความที่นางตั้งคันมาก่อนเลยบวชแล้วเป็นภิกษุณีที่เป็นฝักฝ่ายแห่งพระเทวทัตแล้วครั้นคันโตขึ้นภิกษุณีทั้งหลายนำนางไปสู่สำนักพระเทวทัตสั่งให้นางศึกนางไม่ยอมศึกเข้าเฝ้ากราบทูลพระาศาสดาพระาศาสดาทรงทราบว่าคันเกิดขึ้นตอนเป็นขรหัด แต่เพื่อจะเปลื้องเสียซึ่งข้อคอราหาจึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประสัยทิท่านอนาถาบินทิกะนางวิสาขาอุบาสิกาและสกุลใหญ่อื่นๆมาแล้วแล้วสั่งอุบาลีเทระให้ไปชำระความท่ามกลางบริษัทสพระอุบาลีเทระให้บริษัททั้งหลายสอบสวนอธิกรณ์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น นางวิสาขาให้คนล้อมม่านตรวจดูมือเท้าสะดือและท้องของนางภิกษุณีภายในม่านนับเดือนละวันดูทราบว่านางตั้งครรภ์นในเวลาเป็นเครือหัดจึงบอกความแก่พระเทระพระเทระยังความที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กลับตั้งขึ้นแล้วนางคลอดบุตรมีอนุภาพมากซึ่งได้เคยตั้งความปรารถนาไว แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระวันหนึ่งพระราชาสเสด็จทรงสดับเสียงทารกร้องทรงนำกุมานั้นไปเลี้ยงตั้งชื่อว่ากัสปะเพราะความที่พระราชาทรงให้เจริญด้วยเครื่องของพระกุมานจึงรู้กันว่ากุมารกกัสปะถูกเพื่อนรุ่นเดียวกันล้อว่าคนไม่มีพ่อไม่มีแม่จึงทูลถามพระราชา ทรงทราบความจริงว่ามารดาเป็นภิกษุณีกุมานั้นเกิดสลดสังเวทใจขอออกบวชพระราชาให้บวชแล้วในสำนักของพระศาสดาด้วยสักการะใหญ่กุมารกัสปะไดอุปสมบทเป็นกูมารกัสปะเทระเรียนกรรมฐานสู่ป่าพยายามแล้วไม่สามารถให้คุณในวิเศษเกิดได้จึงกลับไปเรียนกรรมฐานให้วิเศษอีก เข้าไปสู่ป่าอันทวันแล้วครั้งนั้นภิกษุสหายซึ่งทำสมณธรรมร่วมกันเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งได้บรรลุอนาคามีผลแล้วไปบังเกิดบนพรหมโลกมาจากพรหมโลกถามปัญหาสิบห้าข้อกับพระกุมารกัสสปะนั้นแล้วส่งไปด้วยคำว่าคนอื่นยกพระสัสดาเสียที่จะสามารถพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ไม่มี ท่านจงไปจงเรียนเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ในสำนักของพระสสดาเถิดท่านทำเหมือนอย่างนั้นบรรลุอรหัตผลในเวลาที่ทรงแก้ปัญหาจบนับตั้งแต่วันที่พระเทระออกไปแล้วนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาวร้องไห้อยู่ตลอดเวลาส2องปีนางมีทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุตรขณะเที่ยวไปบินธบาต พบพระเทระระหว่างถนนจึงเรียกว่าลูกลูกวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับส่วนล้มลงนางมีทันหลังน้ำนมอยู่ลุกขึ้นจีวรเปียกไปจับพระเทระแล้วพระเทระคิดว่าถ้ามานดานี้ได้ถ้อยคาไพร้อนางจากชิบหายเรจาจักเจรจากับมารดานี้ให้กระด้างเทียวทีนั้นพระเทเรกล่าวกับนางภิกษุณีผู้มารดาว่า ท่านเที่ยวทำอะไรอยู่จึงไม่อาจตัดแม่มาดว่าความรักได้เมื่อได้ยินดังนั้นนางจึงคิดว่าถ้อยคำของพระเทราผู้บุตรช่างหยาบคายบุตรเรานี้มีหัวใจกระด้างประโยชน์อะไรด้วยบุตรนี้นางตัดความสินเนหาในบุตรบรรลุอรหัตผลในวันนั้นนั่นเอง ภิกษุทั้งหลายต่างสนทนาถึงความอัศจรรย์ในคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์โลกสามารถเป็นที่พึ่งของทั้งแม่และลูกพระศาสดาตรัสว่าแม้ในการก่อนเราตถาคตก็ได้เคยเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งสองนั้นเหมือนกันแล้วทรงปรัสนิโคระาชาดกโดยพิสดารว่าเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อนิโคทะผู้เดียวอย่าเข้าไปคบเนื้อชื่อสาขา ความตายในสำนักเนื้อชื่อว่านิโครทะประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ในสำนักของเนื้อชื่อว่าสาขานั้นจะประเสริฐอะไรทรงประชุมชาดวกว่าเนื้อชื่อว่าสาขานครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในบัดนี้แม้ได้บริษัทของเนื้อชื่อว่าสาขานั้นก็เป็นบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละแม้เนื้อตัวถึงวาระได้เป็นพระเทรีบุตรได้เป็นกุมารากัสปะ ส่วนพระยาเนื้อนมว่านิโครทะผู้ไปสละชีวิตแก่แม่เนื้อตัวมีคันคือเราตถาคตนี่เองเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเทรีตัดความรักในบุตรแล้วทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนเองแลจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะบุคคลอาศัยคนอื่นไม่สามารถเพื่อจะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ฉะนั้น ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นจะทำอะไรได้ดังนี้แล้วทรงตรัสพระคาถาว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นได้เล่าพึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วยอมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยาก ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละข้อวิจัยทุกคนล้วนมีญาติมิตรสหายมาแล้วแต่ครั้งอดีตชาติอาจเป็นพระอริยเจ้าอยู่ในภพใดภูมิหนึ่งลงมาแนะนำสั่งสอนธรรมดังเช่นกับโรมอนาคามีสหายลงมาสอนกุมารกัสปะในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยการอุทิศบุญให้แก่เทวดาพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่เคยเป็นญาติมิตรสหายและครูบาอาจารย์ทุกภพกภูมิให้ลงมาแนะนำสั่งสอนธรรมพึงมันอุทิศบุญให้บ่อยๆเนืองๆจากบังเกิดผลดีสำเร็จผลตามปรารถนาเร็วขึ้น